มันคพลนมีใครเก่งกว่ากันมั้ยงูกระตุ่นตาเราหนักกระตนเนี่ยอ่มีใครเก่งมัายแล้วมาพี่คน เป็นอะไรเป็นอะ i ร h ล็ดเล็ดตาเล็ดมองตามหนังแล้วก็เห็นอย่างนี้แล้วก็เขียนเป็นยังไงบป็นยังไงเ็นอะารเมื่อไห่ใครไม่เห็นต้องย้ายไใส่เงี้ย่อตามี้ยมพื่อใสในิ่งัน หามันสงบคนด้วยสักสักโมงหนึ่งก็เรื่องเลื่อนงนั้นนั่งสมาธิพยายามทำบ่อยๆทำด้วยๆไม่ว่างานก็ก็ทำทำาตวน้อยแต่ทำคือถ้าเราทำจิตมันสมบนิดเดียวมันก็ไม่มีกาลังหลายการปวดการีวดมันก็หายหายไป เา็นพนันยศผู้ชายดีไหมกันีพื่อนนั่งสมาธิเลยค่ะในี่เนี่ยก็มีตอที่มานี่ยหม่นหงายม้าก็แขทื่ออ่าแต่เนี่ยทได้เป็นนั่อืมอยากจะไปว่าเอาเงินสักเท่นึ่งะต้องมสมาธิให้ก่นไห มันต้องทำมาไทุกคนเน่ยจนทจนอาตย์เนี่ยมันไวัดครับมันหอมเลยเบออะไรตามบ้านเอฟติดคนนี้ไวัดบ้านครับ ก็คนน่ะ่วัดแค่นี้ฝกตัวมาไปติดไปแก่เรื่องนี้ตัวชายตัวนี้นเล่นฝึกอยู่บ้านเพินั่งเลนอ่บ้านเนี่ยองฝกเนี่ยอยู่บ้านมันมาดีฝึกนึ่งฝึกบ่อยๆฝุกดด้วยสุกครับ การติดกินน้ระน้อยเ น, เนีมันถึงจบบมันปล่อยวางตองนันที่มันมีจิตอันโตกเศ่้าเป็นจิตที่สะอาดดูอยู่ในควารู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่เยน็ น, นมาปะปนกันคือว่าเนื่อจะเรียนรูนน้เรื่องสนุกหรื เราพอเรารูร้มันอยู่เรื่อ ง, อรรบบองเราเรารู้มันอยู่ที่นี่ถ้าเรารู้ตามความจริงเห็นั้นแล้วไปเรื่อไอ้การปฏิบัติมันมันรวมดสิจิตใจของเราเลยสังรวมอ่ะมันทังรวมอยู่แ้วแล้วก็การฝึกที่ิตใจเะด่องการภาวนาเราก็ไม่ไม่จ้องอะไรมากก็ได้จุตที่มันอยู่ที่มัน อย่างเราต้องการภาวนาทำสมาธิเราฝึกใหม่ๆแห ม, หมวันนี้ไม่เด้นนั่งสมาธิวันนี้ไม่เวีนติดคงที่ใจแน่นั่นคือเป็นอย่างนั้นอือคุณเป็นอ่างันนั้นกําลังของสมถะเป็นอย่างนั้นไอ้ความโดยกินวะีา่าว่าเรามีปัญญาและ้ะเมื่อไรที่ไม่ได้ภาวนานั่นไม่มีอือบางคนเราเว้อ แม่ฉันตีนี่ป่วยกต่ทั่งตีเลยไม่ได้ทำเพียนเลยเนี่ยเสียดายได้คนอันนี้คือแสดงอาการต่างว่าจริงโคมโ่ของเราในความจริงทำไมมันสวนมันสวนเฉพาะขันทั้งหลายแบบนี้เห็นขันต้้งหลายที่ท่านมาเห็นชัดเพื่อมันเพียนขนาดไหนก็ย่งเห็นชัดกันไปกว่านั้นมันเพี้ยนถ อันนี้ก็ะเด็ว่าถ้าเราเต็นเป็นนั่นน่ะเมื่อพบความทุกข์มาเราเราทําเทียนไม่ได้ภาวนาไม่ได้เองนคนนั้นน่ะถ้าพบความสุขอารมณ์สุขก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันนี่มันง่ายเลยในการไม่อารมณ์ น, น, น, น, น, น, ๆๆนั้นอันเดียวก็นไม่ใชุ่่นใจอันเดียวกันทั้งนั้นดันัน้นท่านท่านกำหนดกําหนดว่าเมื่อใดที่เราไม่ภาวนาไม่มีเพราะว่าเรามีสติปป เป็นองค์สัมพชฌงค์ของเราอยู่แล้วองค์กัตฉรุกเรามีอยู่เอ่ยพร้อมอยู่เสมออันนี้มีอยู่เสมอพร้อรมอยู่เสมอเรื่องอะที่เราไม่ภาวนานี่ยไม่มีการภาวนานี่ยมันติดต่อมันเป็นวงกลมมันติดต่อทำไมก่อ์สุพรรณคำตั้นอาจารย์มันเออภาวนานต้องให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลม ท่านบอกว่ <S <S ็นยังไงะคนไม่รู้เรื่องมันนะไอความเป็นจริงมันต้องเป็นองคคมขนมันติดต่อกันเสมออะไรมัติดต่อปฏิสัมพันธ์ยากอะเรมันติดต่อเป็นองค์คมอย่านี้ถ้ามารูู้อย่างนี้อะไรที่มันมันมวดอารมณ์กันมัก็รู้จากอารมณ์ทุกอย่างทุกสถานทะนั้นแหรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรตรวจตัมาอความมีใจเสกตัวมาอาการมันเป็นอย่างนั้นเดียวใจเสกึ้วมาอาการมันขึ้นอย่างนั้นมันก็รู้พยเท่านั้นเป็นเพียงเท่านั้แต่ถ้าพุณถึงส่วนยาขอคุยาวเนี่ยแต่ละช่สมันคติดต่อกันแล้วปัญญาจะตรวจตรงไหนก็ตรวจตรงที่มันคมคมๆนีที่มันติดต่อกันียอย่างล้ารถจัมบันมันคมขนาดเท่านี้ถ้ามันยิ่งไปยูันยาวไปแค่ไหนหนึ่งมนะ มันก็อันเดียวกันยมันออกจากอันโคลนนี่เองปัญาเนี่ออกจากอันโคลนเนี่ยอันนี้จะไอ้ความวุ่นวิอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่เสิดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอใช่คือคือหมายความว่าจิตที่เราจะต้องการภาวนาแล้วทุกอย่าง เราจะมองดูมนุษย์มองดูคนมองดูต้นไม้มองดูเครือเขาเช้าวันทุกประการนั้นมันเป็นค่ายมันมีเรื่องธรรมชาติมันสอนเราถึงนั้นไม่มีเสียงเมื่อทิงไอการพิจารณามันมีภากดีจานขอมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันจนก็มันอยู่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเป็นะอะไรไหมก็เป็นงมันอยู่อย่างนี้นไม่เป็นอย่างอื่น อาการจิตนา น, นถ้าอาการจิตนาจริงอยู่ในที่สงบ อ, อาการพิตนาจริงๆนเรานั่งส่าธิเข้าสงบปุ๊บเมื่อความสงบ น, น, นั้นมันมีแล้วเกิดนันมันจะถอนลงมาอยู่ระดับอารมณ์นี่แล้วมันจะเกิดภาวนาเกิดการจิตนาจกตนาอยู่น ท, ที่มันสงบ เหมือนไก่อเหมือนไก่ที่ก็ารัง้ในกรงมันทุ่งแม่เรามันเดนอย่ในเวลานั้นมันก็วโดนในกรงของมันทุกงแม่เรามันยืนมันไปยืนในกรงของมันมันไปออกไปนอกกรงของมันเรื่องภานเรานี่ยเรื่องนั้นเรมงใจเมืนแต่่มันเป็นเองจนมันอยิบตุงงมันน้อเข้าไปแต่เมื่อมาถึงวาระสะอย่า อารมณ์ทั้งหลายมันพบจิตใจนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีเหตุต่สัญญาตัวไม่ได้อย่างตัวสมาธิธรรมเราเนี่ยอืมเมื่อเราทําถึงที่สุดมันต้องไม่มทงบเฉยๆมันต้องถอนลองมาดูมันตรงนี้มันเบื่อมนอยู่ตรงนี้เราผ่านเบื่อมาถึงตรงนี้โหดเดีวยวอืมเราเบื่อไม่ถ น, น, นันมันไม่สะบวกที่เรีนเนี่ย มันมันหมดเบือเบื่อตรงนี้มันผ่านกข้มาดูกาลังมันมันเป็มตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันหมเตีมันมีความสุดที่ความสมดเฉยๆพอส่งไปหน้าหนึ่งไอ้จอนนี่นะเออมันจะย้อนถึงมาตรงนี้พบเบื่อในตรงนี้ตรงนี้มาตรงที่ให้เกิดยี่ปัจนามมันมีเรื่องใช่ไปดตุต่่ตรงนี้มันมานี้มันมันอยู่เฉยๆแลเนี่ยเดวที่อรงบ่มเฉยๆตรงนี้ ไม่มีปัญญาบ่มที่เสยบ่มแล้วก็มันสะท้อนตรงนั้นไปใส่ตรงนี้ซึ่งมันจะออกไปมันจะเข้ามาไอ้ที่เราจะทามันไม่ต้องทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นเรีงของมันอย่างนั้นเดี๋ยนี้อันนี้ไม่ใช่เราทํามดนะมันจะเป็นอย่างนี้ออกไปก็มีเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปจะมีออกมาอีกรูป อ, อันนี้ไม่มีหนึ่งในรายการเป็นหมดเท่านี้ครับที่ทาเป็นอย่างนี้นี่น ถ้าเข้ามาตรงนี้เราจะออกมาโบมเราจะข อ, อไปครอบอพอถึงคนจะกลับมาโบกตรงนี้ถึงเ อ, อกไปครอบมันจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอะไรจำราจะมา ก, ก็ะจําไม่ได้ครับที่ท่านเรียกวา่าสนะีอาวสีเนี่ยอ่าอาจจะมาในสจะพูดอย่างมันไม่ได้จะว่าสีครับ อาการเช่นนี้มันเป็นรสสาศีแล้วก็เข้าออกออกถ้าพูดไปตามโรงแล้วทนาวะจะว่ามันพีดอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกต้องเข้ามันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ย น, น, ย น, นคือคือมันพิดมันพีดม า, นนามอย่างนี้ก็เห็นหน้ามือก็เป็นอย่างนี่พีดอย่านี้ก็เป็นหลังนี้อย่างนี้นเข้ามาอย่างนี้ก็เห็นหนานี้ออกไปก็เห็นหน้นั้นมันอันเหมือกันสมมติคนโตหลวงสมมติ มันจะออกอยังไงจะเข้ายังไงนาะมันก็คล้ายๆกันแต่มันอาการมันเปลี่ยนเมื่อจิตมันมาเข้าสงุดมันก็เปลี่ยนจากความอยากข้ามาอืมเมื an, ่อนตัวถึงละเอียดมันก็เปลี่ยนจากความอยากสบาย่างนมันก็เป็นดิ่งความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนนั่นแหละง่ายๆนะเราจะรู้จากว่ามันเปลี่ยนระบบของมันเปลี่ยนเราต้องชมดูอย่างเนี้ยเมื่อมันยังไม่ที่มันอะไรก็เป็นอย่างเนี้อ ตรงนี้ปฏิสืบสวนตรงนี้สมาอบรมเพื่อบวกให้มีกำลังมีกำลังลุออกมาดูตรงนี้มีใจอันเหวี่ยที่ตรงนี้่ที่ตรงนี้เอามารวมที่ตรงนี้ถ้าเราหาอันนี้อันเดียวอันนี้มันอันนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญามีปัญาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ข่าไปครับนะดูพันนี้ดูพันนี้ดูพันนี้ดูนาดเป็นกาลังเป็นไว้พุ่งสิ่งสำคัญได้ออกไปได้ใช่มอันนี้เราไม่สอนนะรงนี้ถ้าอจมรนเปยนในตรงนี้เราไม่สอนแทนนี่แบบนี้มันจะเป็นใช่ไหมแบบสมุดอัตโนมัเขอามาเป็นยี่แบบการพิจารณาการพิจารณาเนี่ยขั้งแรกจะดึงมาโดยสัญญาของเราอืม Tunes, créer, domain, parable, bundle, ทว่าเนี่ยบุญขมกำหนดขมาเป็นสัญญากันให้รูปเวทนาสัญญาขสามินญานี้ในใจเตือนเราเขาต้องพิจารณาให้มันเป็นอย่างนั Terror, ้นให้มันเป็นอย่างนั้นกำหนดเป็นอย่างนั้นกำหนอย่าไม่เป็นตรงนั้นการสัญญาของเราต้งเรียนรนะสงบด้วยใสงบ ถึงทเมื่อว่าที่เมว่าเมื่อเราจะพิจารณาอะไรเป็นต้นก็เอาที่ที่มันสมบงรณ์ไปใช่ใช่อือเป็นขสัญญอเาเนางี่ันอกบไก็ไม่บต้องม มันก็เกิดไคิดอ <Yemen. ç> ัน <Beijing> นั้นมันมันมันความรู้สอยู่ข้างนอกแต่ก็มันเป็นประโยชน์ดกันอ่ะใน่วงเวามันเฉลี่ยน่ะมันเป็นประโยชน์เมันเป็นไม่พดส่งเสริมกันขึ้นมาได้อย่ใชนช ทั้งเวลาทำอะไรยังไม่เปลี่ยนเนี่ยทำซ้ำๆเราเกาะไปดูตรงนั้นก่อนดูที่มันอยู่ตรงนี้ไปดูขนาดได้กลับมาดูอีกครั้งก็ยังนี้กัะไปดูตรงนั้นอย่างนี้จนมันเข้าใจในที่ตรงนั้นเนี่ยดูมาทำแล้วมันก็เหมือนตันนั้นเห็นนั่นนั่นรวยเงินนี้ี่แล้วก็เรียบร้อยพอมีนี่ก็ตันมีติดต่อกันพยายามอันนี้เป็นอาการจิตวิทยานั้น มันไม่มันจไปมเอืก็มัคอือันตอนที่มันสงบไ่มันไปมันก็ไป่ไปแล้วหนีหหลไรมันไปมันก็ไปแล้วไอ้ร่วงที่มันเงชาิมันหมดเชื่อมัน่ที่เื่องมัน่หมดไมอยากจะให้ไปมันก็ไปไม่อยากจะให้ไฟมันก็ไปมันก็แปลกในเรื่องแบบนี้ เป็นจริงๆสักท่านยังไงก็ก็ช่างมันเป็นทุกอย่างญาติโยมที่รุ่นเองทากรรมฐานปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นกันใทุกอย่างอมันจะน้อยใจมันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะรักมันจะเกลียดมันจะได้สึกมันทุกอย่าง อมันเดินขึ hmm. three three ้นเดินลงเย็นถึงที่สุดนะขึ้นข้างบนมันสุดที่สุดทางนั้นลงมาข้างล่างมันสุดที่นี่นะสามเดื่องพวกมันอย่าไปห้ามมันเลยอย่าไปห้ามมันเหลือยู่ในใจตรงนั้นไอ้ตรงที่มันมีอยู่นันตรงต้องไปต้องภาวนาวมดทุกอย่างแต่ท่านแรกกกลัวมันกลัวว่ามันจะไม่ถึงกลัวจะภาวนาไม่เป็นกลัวมันร้ายไปมันยิ่งเป็นทุกข์ไง เราจะต้องเอานี้ยเทาที่ว่าเมื่อเวลามันวุ่นจริงๆเอาไม่ได้เราก็ถอยมันกอนดีเดี๋ยวตอนนั้นสมาธิมันช่วงช้านจริงๆมันเอาไม่ไหวแต่ซอยถอยมันไว้ก่อนในเวลานั้นกําลังเราไม่พอันี่ยจะไปสู้มันทําไมล่ะอยู่มาจนปกตินี่มันจะเป็นอะไรมันจะว่าเพื่อนเมื่อนั่งดูจีนนะอีกวันหมันเข้าไปจะได้นะจะไปชวนอแต่ว่าอย่าไปทุ้งว่า เราก็เช่นมันจะมันจะทําให้เราเกิดปัญญากันนั้นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยศึกษาที่เมื่อมันผิดสงบแล้วมันเป็นบางครั้งแต่ต่อมามันก็ไม่สงบมันก็เป็นอีกงนั้นคือเรวยความสงบร้วยสมาธินี่ยมันสงบแค่นั้นนมเป็นแค่นั้น เบื้องปัญญาปีจารนานี่มันสงบอย่างแท้จริงของมันถ้าใครอยากจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นมาโดยสมบูมมรณ์อรของมันทั้งนี้มันสมบุกสมบันเหตุทันี้อารมณ์ของที่พัสนาคืออะไรเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ปัญญาทึ่งเกิดขึอารมณ์ของสมถะนั่นคืออะไรเอาอะไรมาทําสมถะมันจึงจะเสถีสงบ อย่างอนาปานิสติอย่างนี้นิพุโ ท, ทโธธรรมโทั้งหลายแบบนี้หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่จิตของตนเคยทีนี้เมื่อเราสงบแล้วก็มันมาถึงที่สุดมันเดีวมันจะเพ้อที่หลังอีกสงบแล้วเพ้ 4, อ 4, อีกแล้วก็ตามมันไปดูเอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ เลาจะต้องเก็บดูว่ามันเลือกอะไรมันมันมันจิดกับปัญญาของเราอือสมถะนี้มันก็เอาไปเอาไปบางทีมันก็ดิ้นดึนสมาธิไปบางคนก็เป็นบาวบออะไรไปหลายอย่างเขียวดูเห็นโนนเห็นนี่ใส่สาระความอย่างแต่มันเห็นเรื่อันนั้นให้เห็นในปัญญาอืมจะ่หากว่าไอ้ปัญญาที่อาจจะทนด้วยะทนเนาะปัญญาทั้งตัวยาว แต่มาร yeah. the, ern, ุ่นงเรื่องอันมีจำอันมีเจตาคนเปนของไม่เที่ยงทุกเจตตาคนเป็นทุกอนันตาคนเนของไม่เจตัวตนถ้าไปสุดท้ายที่สุดแล้วเราต้งย้อนมาอยู่ตรงนี้ตผมคิดว่ามันไม่เที่ยงอืม พิจรณาเรื่มันไม่เท่ยงไงเนี่ยไอ้วันนี้มันสงบนั่งสมาธิมันสงบตามความเป็ริงออกมันแล้วเกสบายใจเห็นไหมดีใจเห็นไหมนี่มันจิตไปอย่างนี้พอมันรู้อันนี้เป็นารกเสมอแลาวรู้จักให้ที่เรารู้จักสมัยตอนนี้เราจะทำอะไรต่างๆแล้วก็พิจารณาอนี้มันเลยเนี่ยหรอก เปลี่ยนมันไว้เนี่ยมันจะรู้สนะึอือก็ต่อไปทุกวันนี้นนมันมวุ่นวายเยอะคืเไม่สบายใจใช่ไหมเมื่อาวา น, นีมันสงบวันนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายแล้วก็บอกเอาไปอย่างนี้อันนี้มันต้องแน่ตัวนี้สำคัญต้างจำเลยนะตนั้สำคัญน่าจะถืออืม บางทีก็มันทํามันทําทุกวันมันจะงบทุกวันทุกวันแม่ก็ดีใจเบิกบานอะไรอยงงี้นะระวังนี่นะระวังนะอืมมันรอแล้วก็ไปในห้องจะแคบแล้วมันจะฆ่าแล้วมันกันอ่างเงี้ยวันหนึ่งนั่งวันไงมันก็ไม่สงหอีกทั้งที่อะไรสบายๆแย่แล้วเนาะมันเสื่อมเพราะอะไรนาะคิดวุ่นวายมันเตะให้เราคิดไรหลายเออฝันไปตัว อย่าวิ่งไปตามมันเลยอันนี้เราจะต่อเอออันนี้ก็เป็นของไม่แน่อสองอย่างนี้เนะื้อจับลงตรงนี้นะนี่มันจะชอบกินแม่มันจะรักลูกรักหลานรักคู่รักคนรักใหครพอใจมันชอบใจก็ อ, อุกสาหบอกว่าอันนี้มันไม่แน่แฉันรักให้มันรู้ตัวมันน่ะมันจะไปยึดจนคืนไปแต่มันมีความ เรื่องมันมันมันมันเกียกอะไรอารมณ์ต่างๆเช่นเรากปดทุกแล้วเปิดอุณหภูมิของเันนอันนี้มันไม่แน่ลองเดินลองจับของมาเนี่ยสองอย่างพบของมเนี่ยตระโดดสายทางเลยเือของมาเนี่ยมี่ต่เรว่าถ้าอันนันมันมาเนี่ยแบบสะดวกใส่ของนั้นมันจะหมดราคาแล้วอย่างนี้อ่ามันจะชวนจิตของเราให้อย่าไปหมายมั่นมันเย็าไปหมายมั่นมัน เอนมันทุกเวลาทุกเวลาเดี๋ยวมันจะเห็นว่าความพ่าใจเสียเสียใจจมาทุบไอ้ความเป็นมรัมันกิดอสิ่งที่มันดีใจเกิดขึ้นมาออะไที่เราไมนแน่ไมนจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยอย่างนี้นะอืมมีจะเป็นยุควานี้อันนี้สัญญาเราจะเกิดไม่จะเกิดอันนี้มันไม่แน่เลยนี่คือปัญหามันไม่แน่เราลืมปัญหาไปได้ทีงซ้องกันมันโผล่ขึ้นมาอีกนออ้วไม่ได้อย่างนี้ นี่ทั้ง้างนอกปรดี๋ยวางข้างในก็ะเดี๋วมันจะพบกับจริงๆมันไหนแนอเพื่อมันไปแน่เราจะเอาอะไรกับมันแล้ะเขาไม่กิไมัจันจ่ายไม่กิงมันจันปรเดี๋กับมันไหนเลยแล้วก็ดูด้วยอปัญญาของมันไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนเมารื่อของมันไม่แน่นอนอย่างนั้นเน่ยตัวเนี่ยคือตัดไปทาตัวมันแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยตัวมันสมมันแน่แล้ว เมื่อในงี่มันม่แน่หนึ่งแะคือมันจุนอันนี้เจตตาทำเป็นของเที่ยงแต่เราก็ไปเที่ยงไปเที่ยงดีอย่างนั้นอันนั้นแหละคือมันเที่ยงมันเที่ยงคือมันเกิดขึ้นเพรามันอยู่อย่างนั้นมันตะกร้าพุ่มาแช่ทีเดียวเามันมันอยู่เหยียดนตัวนี้มันก้อนกันอยู่อันนี้เจตเให้ให้ให้คนภาวนาสบายหนึ่งรู้เรื่องคืมื่มันจะมีอยู่กันมันเกิดมาบอกว่ามันไม่แน่ เจอกันมันหน่ก็ได้อ่ะอีกเจอกันมันหนึ่ได้อีกเจอมันว่าพระที่ไหนตรงมันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้จังของเวทีนี่ถ้าเราไม่เห็นมันก็ไปทุกอันนั้นตากองพระที่ไหนมันไม่เคยเปลวต้นเราตัดไปมันไม่แน่ทนี่มันไม่แน่บอไม่แน่เรนต้องวาง พอเห็นวมันไม่แน่เราเรามีความรักมากนี่มันไม่แน่หรอกมันจะวางนะมัไม่มีความเกลียดมากที่สุดพอตัวจะอือน่นมันมันกะไม่แน่มัน จ, จะวางท <c oughs> แต่เราแน่ในการทําให้โมดคาลไห่วางแล้วมดคาลแล้วจะว่างตือนใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากมเห็นน ล, ลองดูก็ได้ที่นี่เวลาเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยนปัญญามันจะเกิดกันะ ปัญญาเสิดเนีลยรู้เร ouais ื่องทุกหลายไราำไมเกิดเมื่อวานเขาเหมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วันต่อไปทํำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะการแสดงขอามันอยู่อย่างนี้แล้วเกิดปัญญาเราเห็นจัดนี่ไปวุ่นวายของมันเลยมันเป็นของอย่างนั้นระวังของมันอยู่สระบลงมีเกิดสบาลข้าพุทธองค์ของเราท่านไปอยู่ครเขาผิดท่านายแบบนี้เี่ แต่ทันรู้จักมันก่อนที่ไม่รู้จักมันเพราะวุ่นวายกันไปแค่อยู่สองวันอืมไอ้กิเดที่พุ่งมามันเศร้าหมองอย่างเดียวอันอเรื่องที่มันเศ้าหมองมันก็คือในเราสาอืมเอาเรื่งร้องดูสอืมนเสะอาดต่พราสิ่งที่สุดกโปรงเอืมตรงนั้นแหละอืมแต่ทีที่ที่มันค้นชาน่ะ ถ้ารรู้มันนะมันเป็นหินได้สงบูรนะมันม่อยู่ไกลกันนะมันมันติดต่อกันอยู่เนี่ยอย่าไปข้ามันไปเลยถ้ามันเปิดตรงนั้อยู่ตรงนั้นไม่ดูตรงนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่นอย่าไปก้วดที่อื่นไม่ดูตรงนั้นแกะตรงนั้นเห็นมันอยู่ตรงนั้นแต่คนเราชอบคืินอืมเขินไม่รู้ว่ามันไปแกะที่อื่นแล้วไม่ไปแกะที่ต้นต่อมัน ไปแก้ที่ปลายลวันนั้นนะไปแก้ที่ปลายลวันนั้นไม่ดีจากอารมณ์อันนี้เดี๋ยวว่าเราจะแก้ปัญหาในยดีที่สุดจะแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาที่มันเกิดมาเฉพาะภายในจิตของเรานนเนี่ยถ้าถ้าไม่จวนปัญหานี่ปัญหาภายนอกมันไม่จนหรอกอ ม, มันมีอยู่เสมอของมันแล้ว ถ้ามันมีมันมีอยู่กับเนือขมานแล้วน่ะอารมณ์มันกระทบอะไรมันจะแย่เมือนั้นเลยอืมมันมีอยู่แล้วคือว่ามันจะแบบไปคว้าเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มาอย่างมีขนาดเออขี้ขอไปแพ็คทูกยาใช่ไหมนี่ฉันเอาไปี่ไหนเอาไปที่โน่นที่นี่อันนี้มันมัอยืดกันนะพ่อขอพ่อให้ ก็ไปเช็ดมันปิดมือริมทุกเวลาหละอย่างนี้อไอ้ปัญหาตัวมันเฉืดมาทุกอย่านี้เราเรียนว่าตัญหาก็เฉือยมันคล้อมกันมาทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีไม่ใช่ว่ามันมาจาปัญหาเฉื่อยไม่มาางีความรู้สึกมีเราพ่อบรือปัญหาก็เฉือมาที่เรียนไม่ต้องเลยคิดแล้มันมาคล้องกันเลยอืมมา้องกันเลยมันจะเป็นานองน้น อันนี้มันจะถ้าเราจะเรียนวิปัสสนาเนี่ยโดยแยียบภายแล้วปนั่งอยู่นะมันจะมันจะมีอะไรรูปจิดติดต่อกันยิ่งตัวจที่ว่ามันไม่ดับนั่นแหละพู้ง่ายๆจ้ะอืมารยู่เข้ามาไม่ได้เลยถ้ามันเป็นอย่างนนเี่ยมันจะเป็นอย่างไงใช่ใช่อืม ตัวนั้นเนีอบบอ่มันอกนี่ประมาณตรงนี้มันตน้องมีสติมีสัมปชัญญะอืมก็คือพูดอยู่สติสัมปชัญญะคูอยู่นันนียง่ายกันเนี่อย่างนี้อืมเราเห็นมันอืมมันไม่มันมีแตบบ่เวลาที่มันจะว่างจิตใจของเราที่ว่างไม่เบียวรู้นีย มันเต็มเปลี่ยนของมันเนี่ย ท, ทเต็มที่มันเองมันจะมาทางใต้ทางเหนือจะมาทางล่างมันรู้สึว่ามันหมดสมัมันไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่ในตัวอย่านี้มันสติเต็มเปียนม่พิจารู้พูดกนเหมือนกังนายแต่ถ<ม>้าทำอะไรด้วยอล ม, ม, ม, ม มันเป็นเองแล้วผู้ทุกรื่องจนมันเป็นเองของมันอืมผูุมันเป็นเองของมันอย่างส่วนกายของเรานี่นะมันจะเป็นศีรษะเพราะฉะั้นมันจะเป็นเขียนในยูดหรือไงมันจะเป็นเท้าออกไปของมันถ้าเอาเขียนตอ็นแตก่ยมันรู้สึกเป็นั้นเห็นไหมอืมันรวมวรุ่มกันทั้งหมดเลยอยูดมันก็เห็นนถ้าเรามีสติอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นอือ ทางทั้งจ่ายทางหูทางจมูกทางทางกายทางจิตมันรวมกันมัเป็นนเดียวเป็นคนเดียววะแล้วมันก็ยากที่มัไม่สบายพระทุกขมันยากสันจะยากทมคือมันยากเฉพาะที่เรายังไม่เป็นเห็นมอะไรที่เรายังไม่รู้มันก็ยากอะไรที่เราเป็นแล้วรู้แลวอันนั้นมันก็ง่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่ต้องฝึเอาการนั้นฝึกแหล มันฝึกมันมีอุบายฝึกจะเช่นเช่นอย่างอย่งเราเป็นเด็กเรเรียนหนังสือมันง่ายมันยากนะือไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยไอ้ครูไปไปจับไปที่ไปโนนไปนี่ไปด้วยสี่ปีสี่ห้าทํำไปเมื่อเรามันเข้าใจในอันนั้นแนี่ยนะมันก็รู้มัน เ, right? เองมันง่ายขึ้นแต่ลามันไม่เยอที่ส่หรอกมันเยอะที่สของมนุษย์ ทำดีดีอืมอืมปฏิบัติไม่ค่อยเป็นที่ที่คนอื่ไปเจ็บต้องหนักปฏิบัติจนิดที่สุดบางทีชอบใจคุณลุงก็บอกว่าต้องต้องรำากกวาเมื่อวานที่ที่ผมสุดยอดเลยอืม เรต้องรูตรงนี้น <the ่อารมนี้ so ่นอ้แน่จับจับตรงนี้นะลองไปดูตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้แหละมันก็ใช่เมันองไปตรงนี้พอมันเตือนทุกเลยอันนี้แต่อารมณ์ของยิปัตนาอารมณ์ของยิปัตนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อจะให้เกิดปัญญาแต่นเบื้งต้นก็ไม่แน่ก็ตรงนี้แหละ แล้วก็เห็นอย่ามันสมวดมันบุ้งมันดูดไปี่ด้วยอันนี้เราทําอจิดของเราก็ให้มันสงบแล้วด้วยสัมปราขึ้นเสื่เสื่อมไปบางทีมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายมันเป็นยังไงมันเป็นนี่จะได้รู้กันนีอแล้วก็หาทางของเราสิ นู่นก็ระเบิดออยังไงไม่แน่นอนอย่างเนี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วนะก็มุกทวงเออมันเรื่องปัญญาเป็นสิ่งที่สาคัญระเบที่นส่วนปัญญาให้ละให้วางมันไม่แน่อะไรที่นจิมใจเขาเห็นว่ามันไม่แน่ทุกอย่างเลยถูกเร่องไม่ผิดหรืออืมไม่ผิด ตามบรูดีอะไรนี hmm. ิดไม่ดีไปแต่ตวรเคยบอกว่าอย่าไปเอาที oh ่มัจก็สิ่งที่มันไม่กิมจั่นี่ยบาทีเพระองค์ท่านสอนว่าไอ้คำพูดของนักกต้องไม่าจากอนิจจัง คำพูดของวุฒุชนเราปราศจากอเนกเจนเป็นว่าช่วงนี้ผมก็จะคิดไปเนยแน่นอนแล้ตัวดีๆๆๆไปแ <laughs> <ม> <laughs> น่อนมันนี้มันไม่ใช่คำพูดขอ ง, ง, ง, งเรารู้ไหมว่าแต่วันนี้จะถึงช่งนี้วันมีอะไรมัม่อไหร่อวังมัน เพียงแคงเนน่เราจะคิดว่าจะไปกรุงเทพเท่านั้นหรือเราจะคิดว่าจะไปนั่นเท่านั้นระยะเนี่ยมาเนี่ยเป็นสถาวะที่เราคิดโดยเฉยเรายังไปม่มนกันใช่อืถ้าเราถึงตรงนี่ตอนคืนมาแม่มันปวดท้องหนกาไม่เจ็บท้องอะไรปไปไหนมันก็ไปไม่ได้ใช่ไเจ็บกันเลยมันมีอย่างนี้เรื่องไปเนี่ยมันมีคุณค่าหลายอย ให้จับไว้เรียกทุกเกิดมเนะ่ยมันจะช่วยรบายปัญญาะช่วยรบายพยายามทาปัญญ า, ม, า, ญญ า, ญญามันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปมาเรืยๆเป็นคนที่วางปล่อยอารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจเมืกเก่อยๆมันมาจะกเประเด็นว่าเออมันเป็นแน่นี่ทุกอารมณ์เลยนนจะเป็นสุด ตัวจุมาแล้วก็แม่มันสุกใจไม่แน่ปราศเป็นไม่ตัวจะทุกข์ตัวจุมามใจ้ที่นี่น ไ, ไมแน่มันสับเรียนไ้่เรียนเนี่มันจะทูกทุกอย่างแตนจุมาที่บอกว่าตัวยอย่างที่เราผัวเราเข้าโรงพยาบาลทีนี่เราจะต้องตั้งใจมันถูกตั้งใจมันถูกวะงานก็เอาไว้ให้เอา ออกัวเท่าไรนึ่ง เ, เนาะเกิดกิมอะไรได้แหละแต่เราต้องต้องพยายามศืนที่เราน้อยเราน้ยไปทุกวันทุกวัน่การให้ทานการสมทานสินงการพิจารณธรรมะเนี่ย ใ, ให้ให้พยายามทำเรื่อยๆไอ้คนที่ทําวันเดียวเนี่ยตอนปลายจะทําวันเดียวไม่ได้ทํำจะทาไงเป็นวิสัยไปด้วยเป็นประใจไปด้วยในเวลานั้นดีต้องทําปติให้มากอั น, น อย่าไปคิดว่าฉันทำงานฉันไม่ได้ภาว น, นาเลยอย่าไปคิดนันสิอย่าไปคิดเช่นนั้นอาจารยมากรบอกให้ตกศีรษะเขาว่าฉันไม่มีโอกาสว่างไม่ใช่หรือไม่มีโอกาสว่างทำไม ทำงานค้าขายเมื่อคงยังยังทํางานอยู่ยังค้าขายอยู่มีเวลาหายใจไหมคือนข้ามไปนี่ว่าจะทำแต่อันนั้นคิดทุ่มนะอันนั้นมันคิดผิดไปดีนะมันคิดผิดไปในความเปจริงจับโน้นจับนี่ทำโน่ทนทำนี่ท่านก็มจะติอยู่ทุกครั้งทุกเวลา อันนี้เกีการภาวนาทางนั้นนะลองวังดูกรได้าดใคนที่เป็นก่อนในคนที่มาทํางานจะทวาวันตอนยินเคยทำนั่ง่ะไปะจิงเขนนั่ง น, นะน่ไปไม่ไหวไปไม่ไหวอารมณ์มันมากสายไม่แก้ปัจจุบันนี้ไปก่อนอันในคนทําได้จะทํทไปใช่อะไรทาสักคื้นอยู่ไให้เราดูตัวขอนเราอยู่ ถึงในแบบนี้เราทําผิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเอออันนี้มันผิดไหมแต่เราทำอยู่แต่ว่ามันผิดจริงก็ให้เรารู้หมดไว้อย่าไปทุ้งมันนะอย่าไปทิ้งมันรู้ว่าเราทําผิดอยู่เราก็รู้ความผิดอยู่รู้ว่าทําผิดอยู่ก็รู้ผิดอยู่นั่นแต่มัาเป็นปลาครึง่งนั่นนะอย่าไปทุ้งมันเลยทุาวันนี้เวลามันมีโอกาสมันจะทำเพราะมันไม่เป็น ไม่เคยเห็นเป็นภาวนาจริดๆว่าเมื่วลาทำสิ่ง ท, ที่ทําำมาเมื่ออยู่เป็นปกติการทําการทํางานอะไรต่งางๆนี้ไม่มีสติครอบคลองอะพระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันไม่เป็นเน ไ, ไม่เป็นถ้าเรม่สติติดต่อกันอีทุกสิ่งทุกอย่างนั้พยายามต้นไม่เป็น พวกไหนจมพวกไหนมันคนหน้าคนที่เคยทำปฏิบัติารนั้นเออัมับความสีได้คกว่ามันถึง ถึงที่มันจริงๆขึ้นในความเจ็บปวดไม่จะมีหมด ม, มันไม่รับหมด ค, คนดมางคนมันเยอะเ่าไปลองสะโพในรับในยินเสียงในคนนั้นรับรู้อยู่แต่มันแสดงอาการนีไ้ไม่ได้ั น, นี่ยมันรู้อยู่เอาเอาพอทุกคนในเวลานั้นไอเวทนาของเราเนี่ยมันไม่ตามจมตลอดตายมีเหมือนกันแต่ว่าเรารู้จักอาการคนภาวนาน เยทนาทุนัยทานานี่มันจามไปทุกข่มมันจะว่างตรงนั้นจะมีนิสัยรู้แจ้งแจ้งตัวนี้ละเอียดความละเอียดื่อนให้เราให้กำลังใจใช่ไเราจะพูดจะให้กำลังใจใชตัวนี้กำลังใจแล้วหมสารกลับอะไรนะมันสวยีีเดียวจะบอกใหกลับได้คนที่เคยทำไอ้คนที่ไม่เคยทำมันไม่รู้เรื่องอืม นังไม่ได้เคยภาวนาเมั้วาานกัเวารที่ใกละาและทให้เกิดเกิดความดแลราโดยปัจจุบันนั้นเป็นรเป็น่นวคนคนที่ไม่เคยทบเดนมันเลียนะคมอย่าง potential ไม่เคยเบืออย่างพระนิเจ้าที่คนภาวนาเหมือนน่ะที่เบื่อเนี่ยทอดอะไรมันต่างเบื่อย่างคนหนึ่งเบื่อคนมีราคาโทรศัพมันเบื่อเดือดรเกลียดอย่างเราที่มอกเไม่ไปเราชั่งเบื่อมันไปบ้านคนนึ่นเบื่อเบื่อนัหน้ามันเบื่อไม่จัดเจ็ิหน้ามันเบื่อแบบเนี้ยชื่อมันอันเดียวกันอยังไม่เขาชัมันเถอะไอ้คนที่ไม่อารมใจมันพุ่งพอแล้วตรงนั้น ยังอ yeah. mm ืมอืมใช่ใเป็นาท่ไมเหมือนเวทนานี่ท่านเคยเห็นว่าซักว่าเวทนา ท่านพูว่าสักเปรเทนาท่านก็เห็นเวทนานั่นแหละท่านพูดว่าสัสเปรเทนาไม่ใช่เวทนามันไม่มีเวทนานี่ก็สักเปรเทศนามันเวทนาอยู่แตเห็นมันเป็สักวาเวทนาเท่านั้นไม่ใช่สัจไม่ใช่บุคคลตนเราเขาสัจเปรเทศนาสักเว่ากาย สักว่าตัวเวทนานสะักว่าตัวสัญญาสักว่าตัวสังขารสักว่ายุ ญ, ญงยากในวมจรมันมีแต่เป็นมีแต่เพีย ว, ว, ว่าักว่าอนี้เป็นคนกำหนดให้เจ้าหนแล้วเปล่อยสักว่ามันจะข้าไปรูอภิจาอไนันเลบังคับให้เราปล่อยให้เราอืม บาบรีเมื่อบารมีในแปลว่าคุณธรรมมันยอดขึ้นแต่ละบคุคคลจะ่ถูกสร้างม า, างต่างสมลงมาฐานะบารมีฐานะขบวารมีฐานปรมาสุปารมียีระบารมียีระขบวารมียีระปรมาสุปารมีการทานขั้งสองทุกขประกเข้าุิบเข้าไปตรงนั้น ารามิตาบารมีเป็นต้นขั้นที่สามนี่เปบา ร, รมีที่สุดของการทานมีสามนี่สามโดยอำนาจของจิตใจของเราบารมีเป็นแปลว่าคุณทำมันอยู่จริงแต่ว่าครรนจะอม่มีโอกาสการสิ่งทีเขาต้องกาะอาิยามมมาจากคนแล้ว <laughs> ไอย้ยาสมัยแกุ่กตุชนเนี่ยแกุ่กุชนทีปฏิบัติได้ดีที่ปฏิบัติไม่เ็นโสนยอย่งปฏิบัติแล้วไม่เหม็นโสนรู้สึกว<ะ>ไม่มีบาลมีแล้ว<า>ปทํายมกเห็นมันไม่เหนมันมีบาลมีเลยยอ่านที่ <c ười> ตัวบัตรนางรูสักขาไหตอนไหนประชันคือนางรู้สักาเนี่ยยบเนะยึบตัวบัตรนางรู้สักามาอ่านเลยนี่เนื่องรู้สักขานี่เป็น <c oughs> จิตะโทโรบาลที่ไม่กำหนดพบธาตุเลยนะเมื่ดอดิตอารมณ์นี่สนุกสนานนะยังอยู่นะใจจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลหลายดูที่ถ้ามีสมบัติหลายแต่ก็ไม่ห่วงสมบัติ เอาสมบัติทำบุญให้ฐายนยังล่องกุ้อยู่นะยังขับล่องอยู่นะสนุกสนานอยู่แจ๋ตาหยเป็นคุณสมบิบเอาสมคุณสมันไม่มีเป็นบุญอยู่กระสนบัติเท่นั้นท่านภูทงมีคู่ความมีลูกดูดูหลายคนอิม่มเท่าไหร่ ยี่สิบคนนะอะไอ่ ะ, อ, ะอืมอืมอ ม, มันเมีที่สร้างผมเลยต้องเข้าใจว่าสร้างมามัน ไ, ไมน่เหผลไม่เห็นผลทาไมต้องคิดอ่ะ ข อ, ของเขาอันนี้มั น, นจะให้เขาของเขาจะไปเ ล, ลื่อนไาทำไมล่ะมัน้อยใจตัวเองมันน้อยมันคิดผิดเนี่ยคิดจะถูกเน่ยคนมันมันเป็นอารมณ์อย่างนี้เนี่ยเางคนม่ยจะแก่ ด้วยปัญญาของเราอ่ะเรื่อยยงอ ย, ย อ, ยอย่างนี้พยายามไปยืงจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมามองดูทุกสิเทุกทางดิมองไปโน่ น, น, นกิ่อยีนยังไงก็ใครดีใครช่วยกิ่งบีนมันน้งไม่ดไปเที่ยวสูงกันไปดีมันใจจะขาดนีย <c oughs> เราย้อนหลังไปมองมุดิมองด่ที่ว่าให้ใจเรามีกำลังนะอย่างน้อยเราก็จะมีอวัยวะครบถ้วนบดีบูรณาธรรม้กิดในสะดวกไอ้คนที่มันเกิดมามันเป็นโัวกรมภาสตั้งต่มันเกิดมาเนี่ย น, นะนอนเอาเราไปวัดไปดิเป็นไหม เราคนดีกว่าเราหนึ่งแหละแล้วเวลคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็นอยเองตายเรื่อยไปแหละลงเรื่อยไปแหละเราจะไปคิดอย่างนั้นดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไปเราภาวนาทาไปเถอะแล้วมองดูคนที่มันต่ากว่าเรา ใจเราขึ้นมีกำลังขึ้นถึงว่ไปมองนู้นลายนี่หัวแถ ว, แว่นเลยมันลก็น้อยแล้วนะเนี่ยมันจะไปไหวไห ย, ยไปคิดอย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักไม่ให้กำลังใจของเจ้าของคนเนี่มันถึงน่าว่าเกิดมามันเป็นโลกโลกเลือน แม้จะจะนอนกับเพื่อนมันก hmm. um, ็นอนไม่ได้จะกินกับเพื่อนมันก็กินไม่ได้จะไปนั่งกับเพื่อนมันก็ไปนั่งไม่ได้อืไอความปารถนาของมันมันก็ไม่ปารถนาเอาอะไรมากแม่ฉันเกิดมาให้มันให้มันอยู่กับเพื่อนได้ก็เอาแล้วไม่ต้องเอามากหรอกเนาะออยู่กับเพื่อนไหน่อยกินกับเพื่อนหน่นอนกับเพื่อนได้แต่มันเกินหรือตั้งเยอะจก็พอแล้วเนี่ยเท่านั้นก็พอแล้ะไอคนนั้นเน่ย แต่คนที่ไม่เป็นโรคเรือนมันไม่ปรารถนาอย่างนั้นูเนีอสูงไม่โตี่ี่พี่พี่ไม่เป็นวัดเลยฮะเป็นต่ำวัดเป็จับไอ้คนที่ไม่เป็นโรกเรื้อนคนที่มีอาวัยยวะสมบูรณ์โมดีบูรณ์มันไม่คิดอย่างน้นนี่คิดจะสูงโน้นนี่ไอ้เยอะไอ้ยานอย่างเดียูงยิ่งคิดไปโนนนั้นี่ยไปเชื่อเห็นมันดก ไม่แค่น เ, เนเี้ก็แค่นี้ไม่เป็นไรอืมกูกตายก่อนไมแล้วก็ไม่ได้อแล้วนก็มันกลับ<ม>รู้สึกว่ามันทำไง้จะดูจากว่ามันจะกลับมามันจะไม่กลับ ที่คิดอย่างนี้จะมีสี่คนคนที่ไม่เคยคิดดีมีสี่ ค, คนไหมดูนี่ก่อนมันนี้เป็นหาทางออกแล้วถ้าหากว่าลมมันจะได้ลูกโลงน ะ, นะมันจะมีแต่ความคิดมันจะดันเราตรงนั้นนะ ไม่มีใครเอาเข็มไปแย่มันก็ฟีแบบนั้นได้ไม่ไม่มีที่จะไปบนหน้าอยู่แล้วเป็ทุกข์ได้เปล่ลมาเป็นมนุษย์ทุกข์ไหมทุกข์อะไร ชาทุกเวลาทีทุกเอยาตีทุกมรณะทุกมันทุกอันตรายที่นายโยงก็สรวจทุวันคนนั่งตรวที่นี่ให้มันไกเมาฟังเนี่ยมันมีนิสัยวิวัทุกอย่างตัวที่นี่แล้วดูดเขาตรวจุกวันตักวันนี้ อยากโยกเงินไหลมาเกี่ยวัางคนที่ไม่เคยฟังทฟังบางคนมีลิสัยนะเพราะรืองความตรวจีีบางคนนนะนนนกลับเข้ามานะ่โดูมนเอาไปพิจารณาได้ียงพราะวที่ได้มาอืมอืมฟังฟังได้รู้สึก เพราะรับมีความรู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยทราบถึงส่วนของพระพได้ได้ทาบถึงทที่วสองต่อคนแลวรู้สึกตรวจข้างแรกกลับไปวจที่บ้านเองน้ำตาไหลเลยเพราะว่าก็พระุทอง์มีคสมบัตยอะเลยคือตอนที่รับฟังเจาจะต้องรู้ว่า ตอนที่มันถูกต้องอยู่ตรงไหนอย่างพุทธศาสนาชนนี้ที่มีพระพุทธเจ้าของ เ, าเาร า, ดาเดับปิญญาลัคนาสักพู่ะมันยึดถือมาที่บัตเริสการศาสนาพุทธถ้าพุทธจะเห็นอย่างนี้มันก็เป็นพุทธในตัวมันอยู่แล้วไม่ไปพูดอะไรแต่พูดสิ่ง ท, ที่มันถูกต้องใครไปทำมันก็ถูกต้องเขาลังมาทำก็ถูกต้องคนจีนมาทำก็ถูกต้อง จริงที่มันถูกต้องยู่แล้วอันนั่นแหละคือพุดภาษาศาสนาพิจารนาเลยไม่รวี่สุดคนต่มันต่างกัน่างโดยที่กับเดีก็จะดีใจัตเแ็นอาาคิดจะเป็นที่สุดมันไม่ลุ่มงมันก็ต้องไปอย่างนี้คนกับคนไม่ทางที่ถูกต้องกะเป็นในความนจริงก็มันจะมีอะไร สภาพวาดอย่างใยนีเหมือนมันอคิดแล้วจะเลยว่ะมันก็มาสร้างประโยชน์ในปัจจุบันนี้เสมอตอนนั้นเนี่ยในในารีละนั้นมันเกิดเงอ่อนอะไรอยู่เมคุ้ค่าลขงขมดที่เด็กเกยบไมก้ตัวเพื่อไปท่องสอนที่นี่เรียกว่าอันนี้พ่อแล้วนะที่ีแม่แล้วนะ่ะมีอาจารย์แล้วนะ สพราะนันแหละให้เกิดกำลังใจขึ้นมาบาคนบอมีเจลลิฟถึงดูที่ไปคิดดูภาวนาที่เรียนมา20ชั่มงใมันจะเรแยกว่าจะตัดกิจเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหรการภาวนาที่เรียนมาค0ชั่วโมงเรียกว่าจะต้องมีปุถุมาเดียวันทีเรียนมาแ่าน้ต่บ การปฏิบัติมันเป็นสิที่สาคัญที่สุดของการปฏิบัติมันจะร่วมันจะเห็นมันจะพัดไปโด้นการเรียนรู้ที่เกิขน่อายมันไม่ตงยอย่างจะมาดีคนยังจะมาดีมันจทิ้งเราไปับ เราก็มีเจ้าว่มันเปรองของงาั้นอะไรอบ่างนี้ไมเกิดขน